คื้นสยองห้องพิเศษเบอร์สามสัมผัสสยองฉันมีอาชีพรับราชการครูสอนอยู่โรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่อแห่งหนึ่ง โรงเรียนที่สอนเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะพูดรู้เรื่องไม่ค่อยมีปัญหาในการเรียนการสอนการเป็นครูของฉันคนอื่นอาจจะมองดูเหมือนจะสบายๆ ส, สอนวันละสามสี่ชั่วโมงเวลาที่เหลือก็ตรวจงานบ้างเตรียมการสอนบ้างแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เช่นนั้นเลยครู ไม่ได้มีหน้าที่สอนเพียงอย่างเดียวต้องรับภาระดูแลนักเรียนเป็นครูที่ปรึกษาและช่วยงานหมวดฝ่ายต่างๆ ต, ตัวฉันเองรับผิดชอบงานพิเศษต่างๆและเป็นประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนงานก็หนักโข อ, อยู่แต่ช่วงเวลานั้นฉันทำทุกอย่างด้วยความมุ่งมัน่นจึงสละเวลาทำงานแบบหามรุ่งหามค่า ไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยทานข้าวไม่ตรงเวลาบ้างปวดเข้าห้องน้ำบางทีก็ทนไม่ไปเข้าจนมันหายไปเองทุ่มเททำงานจนไม่ได้พักผ่อนในที่สุดร่างกายจึงประท้วงเพราะทนต่อไปไม่ไหวฉันมีอาการปวดท้องน้อยปวดปสวัสสาวะแบบกระปิดกระปอยแต่ก็ยังไม่ไปตรวจร่างกายไม่คิดเลยว่า จะนำไปสู่อาการกะระเพาะปัสสาวะอักเสบขั้นรุนแรงคืนหนึ่งเวลาประมาณหนึ่งทุ่มฉันปวดท้องจนทนแทบไม่ไหวลังเลใจว่าจะไปโรงพยาบาลดีหรือจะทนเจ็บจนถึงรุ่งเช้าเพราะยังห่วงว่าถ้าตัวเองต้องนอนที่โรงพยาบาลแล้วใครจะช่วยดูแลลูกทั้งสองคนซึ่งตอนนั้น อายุยังน้อยคนโตประมาณ8ดขวบส่วนคนเล็กประมาณหขวบยังดูแลกันและกันไม่ได้ฉันจึงโทรไปปรึกษาพี่สาวที่เป็นพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งพี่สาวบอกว่าให้พาเด็กๆไปนอนพักที่บ้านพี่สาวได้แล้วค่อยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลที่พี่ทำงาน ที่จริงแล้วถ้าฉันไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐฉันก็ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพราะมีสวัสดิการรักษาฟรีทั้งหมดแต่ด้วยความจำเป็นดังกล่าวอีกทั้งสามีเป็นครูสอนอยู่บนดอยจะได้กลับมาบ้านช่วงสุดสัปดาห์เท่านั้นเมื่อไม่มีใครดูแลลูกฉันจึงตัดสินใจพาลูกๆไปฝากพี่สาว จากนั้นจึงเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนในคืนนั้นเองคุณหมอตรวจดูอาการและบอกให้ฉันนอนพักดูอาการที่โรงพยาบาลพี่สาวจึงจองห้องพิเศษคืนละ 1,800 บาทให้ซึ่งในตอนนั้นก็เป็นจำนวนเงินที่มากพอสมควรสำหรับฉันครอดี ที่ฉันได้ซื้อประกันสุขภาพเอาไว้คงจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้ใจ่ายไปได้บ้างหวังไว้ว่าการนอนห้องพิเศษคงจะได้พักผ่อนเป็นส่วนตัวมากกว่าที่จะไปนอนห้องรวมและคุ้มค่ากับเงิน 1,800 บาทที่เสียไปมีห้องพิเศษว่างเพียงห้องเดียวในคืนนั้นคือห้องพิเศษเบอร์สามฉันได้ยินพี่สาว คุยกับพยาบาลอีกคนว่าถ้ามีห้องอื่นว่างแล้วให้รีบบอกถ้าต้องนอนพรุ่งนี้อีกคืนก็จะขอย้ายห้องฉันสงสัยว่าทำไมต้องย้ายในเมื่อได้ห้องแล้วแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรขอแค่ให้คืนนี้ได้เข้าห้องพักผ่อนเร็วๆก็พอเพราะตอนนี้ฉันเพลียมากแล้ว กว่าฉันจะได้เข้าไปพักในห้องพิเศษก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มด้วยที่เข้าโรงพยาบาลกระทันหันเพื่อนฝูงและญาติคนอื่นๆยังไม่มีใครรู้คืนนั้นฉันจึงต้องนอนในห้องพิเศษคนเดียวไม่มีคนนอนเฝ้าพี่สาวที่เข้าเวรอยู่ตึกเดียวกันพอดีบอกว่าถ้าออกเวรเสร็จตอนเที่ยงคืนจะมานอนเป็นเพื่อน ฉันจึงใจชื่นขึ้นมาบ้างที่จะได้มีเพื่อนนอนแต่ก็ต้องนอนคนเดียวอีกส4ชั่วโมงภายในห้องพิเศษของโรงพยาบาลนี้สะดวกสบายสมราคามีตู้เสื้อผ้าโต๊ะรับประทานอาหารโซฟาทีวีแอร์เปิดเย็นสบายมีเตียงสำหรับคนมานอนเฝ้าไข้ใกล้กับเตียงคนไข้ ถัดไปเป็นห้องน้ําส่วนด้านนอกห้องมีระเบียงมองออกไปเห็นวิวในเมืองยามค่ําคืนเตียงที่ฉันนอนเป็นเตียงเหล็กแบบเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลทั่วไปสามารถปรับเอียงขึ้นลงได้โดยรวมแล้วฉันคิดว่าคืนนี้คงได้พักรักษาตัวอย่างสงบแต่ไม่รู้เลยว่าฉันคิดผิด หลังจากที่พี่ส่งฉันขึ้นเตียงพียเาราวเหล็กกั้นเตียงขึ้นให้แล้วจึงออกจากห้องกลับไปทำงานต่อฉันมองไปรอบๆห้องบรรยากาศดูวังเวงอีกทั้งยังไม่ง่วงจึงกดรีโมทดูทีวีช่องข่าวไปเรื่อยๆเรยพราะเวลาประมาณสามทุ่มก็มีพยาบาลเอายาแก้กเสพมาให้ทานและบอกว่า อีกเดี๋ยวคุณหมอจะเข้ามาตรวจไม่นานนักคุณหมอก็เข้ามาในห้องพร้อมกับพยาบาลอีกหนึ่งคนคุณหมอสักถามอาการกับฉันโดยมีพยาบาลคอยจดข้อมูลลงในแผ่นชาติที่ถือมาสักพักทั้งหมดก็ขอตัวออกจากห้องไปพร้อมค่าบริการ100บาทในการเข้ามาตรวจแต่ละครั้ง รู้อย่างนี้แล้วด้วยความรู้สึกเสียดายเงินฉันไม่อยากให้หมอเข้ามาตรวจอาการบ่อยๆเลยอยากให้มาเท่าที่จำเป็นมากกว่าก่อนออกจากห้องฉันขอให้พยาบาลปิดไฟในห้องให้ด้วยแต่ยังขอเปิดทีวีดูต่ออาการปวดท้องของฉันค่อยทุเลาลงแล้วแต่การง่วงเริ่มเข้ามาแทนที่พอสี่ทุ่ม จึงปิดทีวีเตรียมตัวจะนอนหลังจากปิดทีวีแล้วในห้องก็เงียบลงไปในทันทีมีเสียงลมแอดังเบาๆแสงสลัวๆจากหน้าต่างริมระเบียงมันส่องเข้ามาภายในห้องเพียงเล็กน้อยฉันค่อยๆเคลิ้มหลับได้ความอ่อนเพลียแต่ยังไม่ทันจะหลับสนิทกลับรู้สึกเย็นว่าผิดปกติ จะเอื้อมไปหยิบรีโมทแอร์แต่ก็ขยับตัวไม่ได้คล้ายมีแรงกดบางอย่างกดร่างฉันเอาไว้ฉันนึกในใจว่าเอาแล้วโดนดีแน่แล้วเพราะฉันเหมือนเป็นคนมีสัมผัสที่หกมักจะเห็นอะไรแปลกๆที่คนอื่นไม่เห็นกันฉันพยายามรวบรวมกำลังแข็งขืนขยับตัวดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง่ง แล้วพลอยหลับไปสักพักก็เหมือนมีแรงดึงผ้าห่มออกที่ปลายเท้าฉันสะดุ้งตื่นคิดว่าเป็นคุณหมอเข้ามาตรวจจึงลืมตาดูสงสัยว่าทำไมหมอเข้ามาตรวจแต่ไม่เปิดไฟในห้องขณะที่สายตาของฉันมองไปยังปลายเตียงนั้นเองโอ้แม่เจ้าที่ปลายเตียงนั้นมันไม่ใช่หมอ แต่เป็นชายอายุประมาณสามสิบกว่ากว่ารูปร่างผอมใบหน้าซีดขาวตาโปนดูดันสวมชุดนอนดอกเล็กๆซึ่งไม่ใช่ชุดคนไข้ของโรงพยาบาลขณะนั้นเขากำลังเอื้อมมือดึงผ้าห่มของฉันฉันรวบรวมความกล้าดึงผ้าห่มคืนไม่ยอมให้ชายคนนั้นจึงปล่อยผ้าหม่ม แล้วค่อยๆเดินมาที่ข้างเตียงชั้นจ้องมองอย่างไม่ลาสายตาร่างกายชั้นเริ่มขยับไม่ได้อีกแล้วมันใช้มือทั้งสองข้างผลักตัวชั้นจนชิดขอบเตียงครอดีที่ก่อนออกจากห้องพี่สาวได้ดึงเหล็กกั้นขึ้นไว้ให้ไม่อย่างนั้นฉันคงจะตกเตียงแน่เมื่อผลักชั้นเสร็จ มันก็ทำท่าเหมือนกับว่ากําลังจะขึ้นมานอนบนเตียงฉันวีดร้องสุดเสียงพร้อมกับใช้มือผลักมันให้ลงไปจากเตียงมันหันมาจ้องขเขม่งที่ฉันอย่างโกรธแค้นแล้วส่งเสียงลอดจากไรฟันว่าเอาเตียงกูมาแล้วใช้มือซีดซีดของมันผลักฉันอีกฉันดิ้นสุดแรง แล้วตะโกนบอกมันว่าไปนอนตรงน้นไปพร้อมกับชี้นิ้วไปที่เตียงคนเฝ้าไข่แต่แล้วฉันต้องสะดุ้งแทบหยุดหายใจเพราะเมื่อมองไปที่เตียงคนเฝ้าไข่ก็เห็นผู้หญิงอีกคนนอนอยู่และกำลังจ้องมองมาที่ฉันด้วยแววตาอาฆาตฉันคิดในใจว่าฉันทำอะไรผิดหรือกโกรธอะไรฉัน จึงได้มองอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อกันอย่างนั้นฉัน้นตัวสั่นด้วยความกลัวในใจอยากจะลุกวิ่งหนีออกไปจากห้องเสียให้ได้แต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับเตียงขยับไปไหนไม่ได้เลยสักพักชายที่แย่งเตียงฉั้นอยู่ก็เดินลงไปยังกลางห้องส่วนผู้หญิงที่นอนตรงเตียงคนเฝ้าไข่ก็ลุกเดินตามไปเช่นกัน ฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและทนเห็นภาพสยองพองขนนี้ต่อไปไม่ไหวอีกแล้วฉันหลับตากรีดร้องสุดเสียงเท่าที่จะทำได้แล้วดึงผ้าห่มขึ้นคลุมโปองอีกครั้งสักพักก็ได้ยินเสียงเปิดประตูห้องและมีคนเข้ามา คนคนนั้นเป็นคุณหมอนั่นเองฉันดีใจน้ําตาแทบไหลก่อนหน้านี้ไม่อยากให้หมอมาตรวจบ่อยๆเพราะกลัวเสียเงินแต่ตอนนี้จะมาตรวจกี่ครั้งก็ไม่ว่าแล้วเหตุการณ์เมื่อครู่มันน่ากลัวและสยองมากพยาบาลนําประลอดมาวัดไข้และรายงานคุณหมอว่าฉันมีไข้นิดหน่อย คุณหมอตรวจอาการฉันแล้วบอกว่าพรุ่งนี้คงจะกลับบ้านได้แล้วฉันดีใจมากอยากจะกลับบ้านเสียแต่คืนนี้ด้วยซ้ำถ้าหมอให้นอนต่ออีกคืนเป็นตายยังไงฉันก็จะไม่นอนห้องนี้เด็ดขาดพอพี่สาวออกเวรตอนเที่ยงคืนก็มานอนเฝ้าตามสัญญาฉันกลัว จนไม่กล้าเล่าเรื่องชวนหัวใจวายนี้ให้พี่ฟังเดี๋ยวจะพานไม่ได้นอนกันทั้งคืนพอรุ่งเช้าเพื่อนๆของพี่สาวที่เป็นพยาบาลเหมือนกันก็มาเยี่ยมฉันจึงเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ทุกคนได้ฟังเพื่อนๆของพี่ต่างมองหน้ากันแล้วเล่าว่าเคยมีคนเจอเรื่องแปลกบ่อยๆในห้องนี้ ดึงผ้าห่มบ้างพลักตัวบ้างและในห้องนี้ก็ยังเคยมีคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งพลัดตกเตียงคอหักตายด้วยพี่สาวของฉันก็เคยได้ยินเรื่องนี้แต่เมื่อคืนมีเพียงห้องพิเศษเบอร์สามเท่านั้นที่ว่างอยู่จึงให้ฉันเข้าไปพักก่อนแล้วค่อยย้ายทีหลังแต่ก่อนออกจากห้องได้เอาราวเหล็กกั้นเตียง ขึ้นกันไว้ฉันจึงไม่ตกเตียงลงมาเมื่อพี่สาวจัดการค่าใช้ใจ่ายกับโรงพยาบาลแล้วก็พาฉันกลับบ้านฉันไม่รู้ว่าเป็นเคราะ ด, ดีหรือร้ายที่เจอเรื่องสยองเมื่อคืนแต่ฉันไม่คิดจะพักห้องนี้อีกแล้วพอกันที่ห้องพิเศษเบอร์สามมีเคล็ดที่ได้รู้มาภายหลังว่า ถ้าใครป่วยแล้วต้องนอนที่โรงพยาบาลให้วางเงินเหรียญไว้ที่ใต้เตียงที่ขอบเหล็กและพูดว่าขอซื้อเตียงนะแล้วจะนอนหลับสบายไม่มีอะไรมาทวงเตียงในตอนกลางคืน สมภัทสยอ